ช่วงนี่ยลงพอไม่แต่ยุงกับยากว่ะทั้งยงทั้งยากก้อมันไปเมื่อวานกับไปทั้งวันไปไประชุมเรื่องเกี่ยวกับสถานีวิทยุสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน่ยประชุมจนถึงค่าพอค่าเสร็จแล้วก็เนี่ยเขานด้มวลมาเทศที่งานหลวงปู่อ่อนสาที่บ้านหนองใหญ่ใกล้ๆติดอุดร น, นั่นแหะอุดร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอธิบดีพิภากษาหัวหน้าศาลหลายหัวหน้าศาลภาระของหลวงพ่อเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ถอยหลังแล้วเมื่อกี้มีแต่เดินหน้ามีแต่จุ่งกระจากเมื่อกี้วันนี้เป็นวันแ ม, เนนแม่เป็นวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่ 12, สิบสองสิงหาห้าสอง เป็นวันสําคัญของชาติพวกเราเชิดชูบูชาเพราะวันนี้เป็นวันแม่คําว่าพ่อแมอ่ครูบาอาจารย์นแปลว่าสูงสุดเราเกิดมาจากไหนพวกเราทั้งหลายเกิดมาจากไหนเกิดมาจากพ่อแม่เพราะนั้นพ่อแม่เป็นต้นกําเนิดเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสําหรับพวกเราเมื่อเราเกิดมาแล้วพ่อแม่ ปฏิบัติอย่างไงกับเราพวกเราถึงจะตัวเองไม่รู้ขณะที่ตัวเองเกิดมันเล็กเกินไปแต่พวกเราก็ ค, ควรจะรู้ว่าลูกหลานน้องนุ่งของเราหรือว่าเด็กที่เกิดมาใหม่เขาปฏิบัติกับเด็กเหล่านั้นอย่างไรเราก็ไม่แพ้เด็กเหล่านั้นเหมือนกันที่พวกเราเกิดมาพ่อแม่ของเราก็จะต้องทุกข์ยากลำบาก กับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นจึงถือว่าวันแม่แห่งชาติของคาว่าแม่คำนี้เป็นที่อประทับใจหรือว่าเป็นที่เป็นผู้มีบุญคุณอย่างมากสำหรับผู้มีปัญญาถ้าผู้มีปัญญามากจะต้องเห็นคุณค่าของพ่อแม่มากคิดในรายละเอียดว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาอย่างไรถ้าหาว่า พวกเรามีปัญญาอยู่ในระดับกลางเราก็มองเห็นพ่อแม่เนี่ยมีคุณค่าหรือมีประโยชน์มีบุญคุณของเราอีกในระดับหนึ่งแต่ถ้าว่าพวกเราเป็นคนโง่เง่าอ่าเป็นคนโง่เง่าจาะระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่เพียงแต่ว่าเป็นเครื่องสนุกท่า น, นอะไรเราเราก็มาเกิดพอมาเกิดแล้วพ่อแม่ก็ไม่เห็นมีอะไรก็ต้องเลี้ยง จำเป็นต้องเลี้ยงไม่เลี้ยงได้ยังไงลูกฮะไม่คิดว่าบางคนเน่ยเขาไปโยนทิ้งออกไปที่ไหนก็ไม่รู้เนีถ้าพ่อแม่ไม่พอใจฮะอันนี้คืออันนั้นประเภทที่ลูกโง่ฮะถ้าว่าใครเขตามได้ลูกโง่โงอย่างนั้นแล้วพ่อแม่คนนั้นก็ทุกจนถึงวันตายเพราะเหตุไรเพราะพ่อแม่ทําบุญทําคุณให้ขนาดไหนลูกโง่โงอย่างนั้นก็ไม่เห็นบุญคุณจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะ เขาโง่เขาเห็นแก่ตัวเขาไม่มีน้าใจกับพ่อแม่เพราะนั้นพวกเราจะเป็นลูกประเภทไหนในสามประเภทนั้นหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราเป็นลูกประเภทที่ว่ามีปัญญาให้มองทะลุปูป่โป่งไปหมดว่าพ่อแม่ถึงท่านยังไงท่านก็เลี้ยงดูดเรามาให้การศึกษาเรามาจนใหญ่ถึงขนาดนี้แล้วเราจะทดแทนพวกคุณของท่านอย่างไรเมื่อเรามาถึงระดับนี้ ไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ใจตัวเองมีอะไรก็มีแต่เอาแต่ใจตัวเองทําให้พ่อแม่เดือดร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเรา เ, เพ้อเพอพ่อแม่เองอยากจะกินยาตายเพ่อลูกก็มีเพราะเหตุอะไรพ่อลูกทําให้หนักอ ก, กหนักใจขายหน้าพ่อแม่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าขอให้พวกเราท่านทั้งหลายทบทวนในความประพฤติของตนเองให้ดูตัวของของเราเองถ้าคนอื่นดูพ่อแม่พี่น้องลูกหลานอญาติติโกโหติกา ดูเราแล้วก็บอกเราเราอาจจะโมโหโทสูให้เขาก็ได้แต่ถ้าเราโง่เราก็มองตัวเองไม่เห็นอีกเหมือนกันแต่เราพอมีปัญญาเราเปรียบเทียบยน้าใจเขาน้าใจเราถ้าเราทำอย่างนี้พ่อแม่มีความเสียใจอย่างไรถ้าต่อไปภายภาคหน้าถ้าเรามีลูกขึ้นมาแล้วทาเราทำตนอย่างนี้นะ่ละเราทำตนอย่างที่เราทำอย่างนี้นะ่ะพ่อแม่จะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเป็นถ้าเราเป็นพ่อแม่ เราจะมีความรู้สึกอย่างไรกับลูกของเราถ้าเราทำตนอย่างนี้สิ่งเหล่านี้มันต้องทบทวนย้อนหน้าย้อนหลังอันนั้นแหะเป็นผู้มีปัญญาถ้าเราเป็นผู้มีปัญญาอย่างนั้นแล้วเราจะวางตัวให้ถูกต้องทำยังไงก็ตามเรายืนด้วยลําแข่งของเราได้แล้วเรามีสะขาสองแขนสองสมองหนึ่งเราพร้อมที่จะกระทาในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งไม่ให้แม่ หรือพ่อของเราหนักใจกับเราเพราะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วมีสติปัญญาแล้วได้รับการศึกษาดีแล้วเราจะเดินยังไงเราจะขี้เกียจหรือเราจะขยันถ้าเราขยันคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้คนมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ถ้าบ่าคนโง่คนขี้เกียจจะหาทรัพย์ไม่ได้นอนตื่นสายซะมีอะไรก่อน เ, ออเดี๋ยวกว่าร้อนเดี๋ยวกว่าาเา เดี๋ยวก็ว่าหิวเดี๋ยวว่ากระหายเดี๋ยวว่าปวดหัว อ, อ, อะไรมันมีจีปาถะเพราะความขี้เกียจถ้าคนขี้เกียจแล้วมันมีทางออกอย่างนั้นถ้าคนขยันแล้วต้องรู้จักในการสสแสวงหาทรัพย์เมื่อหาทรัพย์มาได้แล้วก็ต้องรู้จักการเก็บรักษาเก็บรักษาเพื่ออะไรต่อไปภายภาคหน้าพ่อแม่ของเราอาจจะเก็บให้ได้ป่วยก็ได้ตัวของเราอาจจะเก็บให้ได้ป่วยก็ได้ ลูกสามีภรรยาของเราครอบครัวของเราเองอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้อันนี้เราต้องวางแผนครอบครัวของเราทั้งผัวทั้งเมียถ้ามีต่การแต่งงานขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สรุปแล้วก็คือเป็นเครื่องประกันความสุขของครอบครัวของตัวเองเป็นอันดับแรกแต่ถ้าเรายังไม่มีครอบมีครัวเราก็วางตัวอีกอย่างหนึ่งเพื่ออนาคตของเราแต่ถึงยังไงก็ตามอย่าลืมพระคุณของพ่อของแม่ พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำไมเลี้ยงท่านตอบยังไงท่านเลี้ยงเรามาอย่างไรเราก็ควรจะเลี้ยงท่านอย่างนั้นเงินคำทรัพย์สมบัติที่เราแสวงหามาได้อย่างน้อยอย่างวันเนี้ยอย่างวันแม่เนี่ยเราจะเอาเงินให้ท่านสักก้อนหนึ่งได้ไหมสักหมื่นหนึ่งได้ไหมแสนหนึ่งได้ไหมหรือพันหนึ่งได้ไหมห้าร้อยบาทได้ไหมร้อยบาทได้ไหมสิบบาทได้ไหมอันนี้เราต้อง ต้องคิดว่าเนี่ยวันแม่แห่งชาติวันนี้แม่ของเราเนี่ยวันเกิดของเราเนี่ยอวันไหนวันเกิดของเราวันนั้นนแม่ของเราทุกที่สุดและทั้งพอ่อทั้งแม่สัรวนวุ่นวายพ่อก็ทุกอีกอย่างหนึ่งกลัวลูกออกมาแล้วพิกพรพิการลูกออกมาแล้วตายอนนี้ทั้งครอบครัวของเราทุกในวันที่เราเกิดเพราะนั้นเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเป็นผู้ใหญ่ถึงขนาดนี้แล้วได้รับการศึกษาดีขนาดนี้แล้ว ร่างกายของเราสมบูรณ์ขนาดนี้แล้วเราจะทดแทนพักคุณของท่านได้อย่างไรในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธองค์พระพุทธเ จ, จ้าตรัสว่าเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อทำกิจธุระของท่านดำรงวงศกุลปรัพฤติตนให้สมวควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนี่แหละคือหน้าที่ของลูก ่พวกเราทําหน้าที่สมบูรณ์นอยังอย่างเนี้ยอันนี้คือเป็นกฎทำเนียมประเพณีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลพราะพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสว่าเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเราเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกประพฤตตนยังไงถ้าเราไป เล่นกวนการพนองการปนันสัมาเลัยเทมาทั้งเที่ยวทั้งเตะมีอะไรเป็นนักเลงหัวไม้เค้ายาบง่งยาบ้าคัญชายยาฝิ่นสุบศพหลบลบป ล, ล, ลุกปลีสัน้นๆแล้วพ่อแม่จะมอบทรัพย์สมบัติให้เราได้อย่างไรท่านมอบไม่ได้อันนี้แปลว่าประพฤติตนไม่สมควรที่จะรับทรัพย์มรดกไม่ประพฤติตนให้สมควรที่จะรับทรัพย์มรดกจากพ่อแม่เพราะฉะนั้นพวกเราควรจะประพฤติตน ให้สมควรที่จะรับทรัพย์มรดกของพ่อแม่เมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนี่อย่างพ่อแม่ของพวกเราท่านผู้ใดก็ตามมานั่งอยู่ที่นี่พ่อแม่ของเราได้จากไปจะพ่อแม่พ่อจากไปกด็ดีแม่จากไปกด็ดีเมื่อเรามาทำบุญอย่างนี้เราก็น้อมขิดอุทิศส่วนกุศลเออคุณพ่อเนอคุณแม่เนอะออข้าพเจ้าได้เอาธาตุเอาร่างกายของพ่อแม่ที่พ่อแม่เลี้ยงดูมานี่น่ะ ตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยข้าพเจ้าได้มาจากพ่อจากแม่พ่อแม่เป็นพระคุณอย่างยิ่งสําหรับข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าได้มาทําบุญวันนี้กับพระสงฆ์บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้มาทําในครั้งนี้ด้วยเถินออันนี้คล้ายๆว่ามีน้ําใจอุทิศส่วนกุศลถึง ผู้มีอุปการะคุณคือพ่อแม่ของเราเป็นหน้าที่ของเราจะต้องชิดอย่างนั้นอแต่ว่าเราเป็นนักพจนนักบวชก็เหมือนกัน เ, เมื่อเป็นนักพจนนักบวชเราได้มาบวชในพระพุทธศาสน า, เ, าเราเพื่อจะเอาร่างกายของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูทเที่ยงดูจากยากเนี่ยนะเข้ามาบวชเรารักษาศีลศีลสออยยี่สิบเเพราะเราเป็นพระเราจะรักษาสิก ข, ขาบทวินยัย ให้ดีที่สุดจากนั้นก็ได้ภาวนาจเจริญแผ่เมตตาภาวนาทําจิตใจให้สงบไม่เบียดคิดเบียดเบียงใครอื่นไม่พยาบาทปองร้ายเขาไม่เห็นผิดจากทํานองครองธรรมอยู่ในกรอบของศีลธรรมเป็นพระที่ดีเป็นพระศากยบุตรของพระพุทธเจ้าจากนั้นเราก็น้อมจิตว่าเออคุณพ่อคุณแม่เนอะผู้ฆ่าได้บวชในพระพุทธศาสนาได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําในครั้งนี้ ขอบุญกุศลนี้ขอให้ดวงวิญญาณของพ่อแม่เนี่ยให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าแต่ว่าดวงวิญญาณของท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปแต่ถ้าว่าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่และจะทำยังไงพ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่เราก็เอื้อบุญกุศลที่ข้าพเจ้าส่วนจิตใจของข้าพเจ้าเนี่ยน้อมลาลึกบูชาพระคุณขอให้พ่อแม่ ของข้าพเจ้ามีสุขภาพ p ร r a m a p a r a n a ดีแข็งแรงแล้วก็ข อ, ขอให้ประสบอายุวรรณะสุขค่าภาระบุญกุศลของข้าพเจ้าที่ทํานี่ก็ขอให้พ่อแม่มีความสุขกายสบายใจปรารธนาสิ่งใดก็ขอให้ร่ําให้รวยให้มีความสุขตามอัตภาพาจากนั้นเมื่อเราออกไปแล้วก็เอามีขนมนมเนยสิ่งไหนบ้างที่เราได้เสาะแสวงหามาด้วยน้ําพักน้ําแรงของเรา เราก็เอาไปมอบให้ท่านอันนี้แหละคือหน้าที่ของลูกเอไม่ได้มองข้ามในการเป็นอยู่เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติได้ทําอย่างที่หลวงพ่อพูดแต่อย่างถ้าว่าพวกเราไม่ได้ทําอย่างที่หลวงพ่อพูดแสดงว่าพวกเราย่อนเอย่อนในฐานะที่เป็นลูกของพ่อของแม่ถ้าว่าพวกเราปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้พูดแล้วเอออันนั้นทำเราได้ทําตามหน้าที่ กฎประเพณีดั้งเดิมตั้งแต่โบ ร, โบราณหรือกฎของพระพุทธศาสนาที่ท่านสอนให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายประพฤติธปฏิบัตินี่แหละในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านจัดบุตรไว้สามประเภทนะอภิชาตตะบุตรบุตรที่เหนือจากพ่อแม่แคือค่าว่าการศึกษาก็ดีรับหน้าที่การงานก็ดีกว่าพ่อแม่และกิริยามารยาทคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม ก็เหนือกว่าพ่อแม่อันนี้เรียกว่าอภิชาตตบุตรอ น, นุชาตตบุตรบุตรที่เสมอพ่อแม่พ่อแม่ทํามาค้าขายอย่างไรมีศีลมีธรรมอย่างไรเข้าวัดวาศาสานาอย่างไรเราก็กกกปฏิบัติตามในฐานะลูกเสมอ ก, กับพ่อแม่ที่พวกเราเห็นอันนี้เรีวยกว่าอ น, นุชาตตบุตรอบุตรที่เสมอพ่อเสมอแม่อวะชาตตบุตรอวะชาตตบุตรคือบุตรที่ต่ํากว่า พ่อแม่มีฐานะอย่างนี้การศึกษาอย่างนี้แต่เราทําตัวไม่ดีไม่อยู่ในฐานะเหมือนกับพ่อแม่ที่เป็นที่มีฐานะอยู่เราทําตามอทําตามไม่ได้เราเลวซามกว่าจติตปัญญาของเราอ่อนกว่าการเป็นอยู่ของเราการทํามาหาเรียงเฉีพบของเราทรัพย์สมบัติของเราอ่อนกว่าคุณธรรมในจิตใจของเราอ่อนกว่าอันนั้นเรียกว่าอวาวะชาติตบุตรเพราะฉะนั้นพวกเรา อย่าไปมองคนอื่นให้มองตัวเองว่าข้าพเจ้าเนี่ยอยู่ในระเกรดไหนทั้งสามเกรดเนี่ยเกรดอาวิาชาตตบุตรหรือเกรดอนุชาตตบุตรหรือเกรดอภิชาตตบุตรนะถ้าพวกเรามองตัวเองอย่างนี้แล้วพวกเราจะเน้นไปในผลผันตัวไปในทางที่ดีขึ้นนะเพราะรู้จักจุดอ่อนแล้วแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มองตัวเองแต่ละวีแต่ละวัน มีแต่เที่ยวมีแต่เตรมีแต่เล่นมีแต่สนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาเป็นวันวันไปมันจะมองไม่เห็นมันมองออกไปแต่ข้างนอกแม่แต่พ่อไม่ดีแม่ไม่ดีพี่น้องไม่ดีวงศาคณาญาติไม่ดีตัวเองไม่ดีไม่มองตัวเองเป็นยังไงคิดดีหรือยังทำดีหรือยังพูดดีหรือยังอันนี้มันต้องมองตอนเองถ้ามองตอนเองแล้วจะมองหาคนอื่นมองความผิดของคนอื่นได้น้อยมาก แต่ถ้าว่าตัวเองไม่ได้มองตัวเองแล้วนั่นล่ละอมันมองแต่คนอื่นเขาคนอื่นเสียหายทั้งหมด อ, อันนี้แหละในหลักของพุทธศาสนาพราะพระพุทธเจ้าอโอปัญญิโกสิ่งไหนก็ตามให้มองตนเองถ้าเราไม่มองตนเองเราจะพวกเราจะไม่เห็นตนเองอะเมื่อเราไม่เห็นตนเองนั<อ>่นแหลอมันมีแต่ชี้นิ้วไปข้างนอกไม่ดีอย่างงั้นไม่ดียางนี้คนนั่นคนนี้แต่ นิ้วทั้งสมนิ้วมันกลับเข้ามาหาตัวเองฆ่าเนะี่อไม่ดีกว่าเขาทั้งสามครั้งใช่ไหมฮลักษณะอย่างนั้นนะผมะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นสาธนิกชนพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาสอนให้มีปัญญาสอนให้ใช้ความคิดสอนให้ใช้ความรอบคอบอย่างที่หลวงพ่ออินได้พูดนะ่ะหลวงพ่อบอกว่าใครก็ตาม แจกของก็ดีแจกแบบสุ่มสีจ่จมหอห้าแจกไม่แบบให้รับผิดชอบแจกแบบเทปลาเน่าออกจากข้องหรือเทสุดแท้แต่มันจะทิ้งให้แกใครอันนั้นว่าแจกแจกแบบงงๆไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่ออินฮะหลวงพ่อพูดอย่างนั้นนี้ก็เหมือนกันอ่ะถ้าพวกเราท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตนไม่ดีมีเห็นพอ่อเห็นแม่พ่อแม่พูดคหนึ่งตัวเองได้ห้าคำนะเถียงไม่รู้จักจบไม่รู้ไม่ให้ตกฟากลากดินได้ อันนั้นแปลว่าไม่ใช่ลูกที่ดีไม่ใช่ลูกชิดหลวงพ่ออินเหมือนกันถ้าลูกชิ์หลวงพ่ออินแล้วต้องฟังพ่อแม่พูดยังไงก็ฟังถ้าพูดพ่อแม่พูดไม่ถูกแล้วไม่ให้ฟังอย่าเดี๋ยวก็สอนก็ได้เอาคุณพ่ อ, ค, พอคุณแม่พูดอย่างนั้นได้ยังไงไม่ถูกนะแนวคุณพ่อคุณแม่อายเขานะคุณแม่นะคุณพ่อนะทําตัวอย่างนี้ไม่ดีนะคุณพ่อนะคุณแม่นะลูกก็มีสิทธิ์ที่จะสอนพ่อแม่ได้ในลูกเห็นว่าพ่อแม่ผิดเพราะว่าแม่พ่อแม่ของเราก็ไม่ใช่พระหัน ไม่ใช่ว่าจะทําอะไรถูกทุกอย่างไม่ใช่เมีผิดเหมือนกันแต่ลูกของเราเห็นจุดไหนที่มันผิดลูกก็เจตนาหวังดี อ, อบอกกล่าวพ่อแม่เผือผ่อๆยกมือใส่หัวสกนพุนพ่อคุณแม่ทําอย่างนั้นไม่ถูกนาะอทะเลาะกันอย่างนี้ไม่ได้นะคุณพ่อคุณแม่นะลูกอายนะพวกลูกทั้งหลายอายบ้านอายเมืองนะอย่างนี้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของลูกที่จะบอกกล่าวหรือสอนพ่อแม่ได้เพราะพ่อแม่ของเราไม่ใช่พระหัน์ นี่ใช่เป็นผู้บริสุทธิ์ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่พร้อมที่จะทำผิดได้ทุกโอกาสได้ทุกเวลำเวลาเพราะนั้นพวกเราก็สอนพ่อแม่ได้พ่อแม่ก็สอนลูกได้ต่างคนก็ต่างตักเตือนซึ่งกันและกันนั่นแหละความสงบพร้มเย็นเป็นจุขก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวของเราเป็นอันดับแรกน ะ, ะและ้วก็ในทางพระพุทธศาสนากับพ่อแม่ก็พยายามสอนให้ลูกทำบุญทำทานให้เป็นผู้เสียสละ อยากเห็นพ่อเห็นปู่ย่าตายายเอา้าหลานเอาเงินไปให้คุณตาสิเอาเงินไปให้คุณย่าคุณยายซิเนี่เอาไปให้นี่เนะี่คุณนา้าคุณอาซิเนียเขาตาบอดเขาพิการเขามัมีเงินเอาเอาไปให้คือพยายามบอกกล่าวหรือเห็นตู้บริจาคเนีน่เอาลูกเอาไปบริจาครนะนหนึ่งเหรียญหนึ่งบาทนะคือพยายามสอนเขาเราให้นิดหน่อยอย่างนั้นคือเราคิดดูแล้วว่าเมื่อให้ไปแล้วเด็กหลุนที่เราให้ ลูกของเราหลานของเราที่เราให้ไปนะมันไม่เสียผลประโยชน์อะไรหรอกอมันไม่เสียผลเสียนิดหน่อยท่านเอง เ, ออเพียงบาทสองสามบาท เ, เราทําอย่างอื่นเราจังทำได้แต่ว่าเมื่อเขาทําไปแล้วคุณค่าในจิตใจของเขานั้นมากมหาศาลเราเขาเหล่านั้นจะเป็นทายาทของเราจะเป็นผู้สืบทอดคุณงามความดีจากเราในเมื่อเขาทำ เ, เราในเมื่อเขาเห็นพ่อแม่ ให้ทําบุญกับปู่ย่าตายายกับซาตดญาติกับพระพุทธศาสนาอสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เราทําบุญทําทานเรามอบให้ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชะลานั่นแหละเขาจะควักเงินได้ง่ายที่สุดให้พ่อให้แม่ใช้เขารวยขึ้นมาเขาก็ให้พ่อเป็นให้แม่เป็นหมื่นเป็นแสนเขาก็ให้ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าเราปลูกฝังอุปนิสัยของเขาแต่สมัยเป็นเด็ก แต่ถ้าว่าพ่อแม่มีอะไรมีแต่ขี้แตนีทีเหนียวถ้าเขาเอาไปใช้ก็อย่างอื่นเออเขาให้เขาไปใช้ไปกินแต่มาให้พ่อแ ม, แม่ไม่ต้องเอามาหรอกเออฮัะสเอาไปกินซะผลที่สุดเด็กก็เลยเห็นแก่ตัวมีอะไรก็มีแต่ซื้อกินไม่ยอมแบ่งปันให้แก่ใครตัวเองกินจนเหลือเฟื อ, อแล้วก็ไม่ยอมแบ่งให้พี่ให้น้องให้วงศาคณญาติให้พ่อให้แม่จากนั้นก็มาบ่นที่หลังว่า เด็กคนเนี้มันไม่รู้จักแบ่งปันมันขี้ตันีมันได้มามากทั้งก็ไม่ยอมให้แก่ใครเพราะเหตุใดก็เพ่อแม่สั่งสอนไปในทางที่ไม่ดีตั้งแต่เป็นเด็กเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราทุกคนที่มีลูกมีหลานควรจะสอนในการเสียสละบ้างนะแต่เสียสละทั้งนั้นทั้งนี้ไม่ใช่มาเสียสละให้หลวงพ่ออินนะหลวงพ่ออินเราไม่เอาหรอกเออไม่อยากจะได้หรอกหลวงพ่ออินพอแล้ว ม, มีแต่สอนให้พวกเราเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาต่อไปภายภาคหน้าถ้าพวกเราสอนกันอย่างนี้ต่อไปความสงบร่มเย็นเป็นสุข ก, ก็จะเกิดขึ้นในชุมชนสังคมอันดับแรกก็คือเกิดในตระกูลของพี่ของน้องของลูกของหลานของเรานั่นแหละในตระกูลนั้นก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะมีมีน้ําใจต่อกันมีการเสียสละต่อกันแต่ถ้าว่าพวกเราอยู่ในสกูลมีลูกมีหลานขึ้นมามีแต่คนขี้ตณีทีเนียวมีแต่เห็นแก่ตัว จะแบ่งให้แกใครก็ไม่ได้เพราะจะแบง่งมรดกชิ้นเดียวอจะให้พี่ก็ไม่ได้จะให้น้องก็ไม่ได้ผลที่สูดก็เลยจะฆ่าทั้งพ่อทั้งแม่ฆ่าตายหมดซะก่อนฮอยากจะได้คนเดียวมันเป็นอย่างนั้นมันมากขึ้นเรื่อยๆโรคทุกวันนี้เพราะเหตุอไรเพราะพ่ อ, พอแม่ไม่สอนแต่สมัยเป็นเด็กหลวงพ่อว่านะขอให้พวกเราทั้งหลายคิดนะอันนี้คือทานคือเสียสละคือน้ำใจส่วนศีล ค, คือรักษากายวายจาให้เรียบร้อยอย่าให้เบียดเบียนตนและผู้อื่น ต้องคิดถึงใจเขาต้องคิดถึงใจเราถ้าเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราเราก็ต้องคิดเออมันไม่ถูกต้องนะถ้าเขาเราไปขโมยเขาเขามาขโมยเราเราก็ไม่ควรจะขโมยเขาอื่นเขาเพราะเขามาขโมยเราเราก็เสียใจนี่แหละประพฤติผิดลูกเมียของคนอื่นเขาเหมือนกันถ้าเราไปแย่งสิ่งผัวของเขาไปแย่งสิงเมียของเขาอย่างนี้เขาก็เสียใจถ้าเราไปถ้าเขามาแย่งชิงเราล่ะ เราก็เสียใจเช่นเดียวกันพราะฉะนั้นให้เคารบสิทธิ์เขาให้เขารบสิทธิ์เรานี่ก็คือสินข้อที่สามข้อที่สี่มูสาอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขานะถ้าเราเราต้มตุนหลอกลวงโกหกเขาเนะ่ะเป็นมั น, ม, นมันไม่ดีมันเป็นผลร้ายเอสําหรับตนเองเอทางเขาไปเราไปต้มตุนเขาเขาก็เสียใจเพราะเขามาต้มตุนเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าเอา เราจะควรจะเคารพสิทธิ์ของเขาฮะอันนี้คือสีลข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุราเมรยะการดื่มสุราเป็นสิทธิ์ของเราที่จะต้องดื่มหรือจะต้องกินยังไงก็ได้ใครจะมาห้ามแต่ตามพร่จริงใช่ถ้ากินแล้วปิดประตูห้องอยู่ตามลําพังไม่มีใครว่าอะไรเนีถึงจะทุกจะโจนก็เป็นของตะแก่คนเดียวแต่นี่กินออกมาแล้วอารวาสคนนั้นอารวาสคนนีน้ขับรถเฉี่ยวคนนั้นชนคนนีน้ด่าคนนั้นตีคนนีน้ยิงคนนั้นฆ่าคนนี้นีน่แหละ ดื่มสุราเข้าไปแล้วมันขาดสติมันทําความชั่วเสียหายให้แก่ชุมชนสังคมไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วเพราะคนดื่มสุรานะอันนี้แหละสินของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้ห้าประการน่าศึกษาอย่างยิ่งและก็นําควรจะนํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายใจของเราปรับปรุงกายวายจาของเราให้เป็นผู้มีศินนะนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อได้กล่าวมาเป็นระยะหรือว่าเป็น แนวทางสำหรับพวกเราที่เป็นอุบาสกอุบาสิกานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชนะเป็นที่พึ่งแล้วควรจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็วันนี้หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแม่เลี้ยงดูเรามาทุกยากขนาดไหนตั้งแต่เราเป็นเด็กถ้าเรามองไม่เห็นเมื่อเราเกิดเราก็มองเห็นพวกเด็กๆ เ, เกิด ถ้าเราไม่โง่เกินไปอย่างที่หลวงพ่อพูดถ้าเราโง่แล้วก็มองไม่เห็นอะไรทั้งหมดเพราะเราไม่มีปัญญาถ้าเรามีปัญญาเราก็ต้องมองเห็นว่าความทุกข์ยากของพ่อแม่นั้นมีอะไรคนมีปัญญามากก็รู้จักพระคุณของพ่อแม่มากทําผู้มีปัญญาปานกลางก็รู้สึกว่ารู้จักบุญคุณของพ่อแม่ขนาดกลางปานกลางถ้าคนที่โง่เง่าเาต่าตุนแล้วจะไม่รู้จักพระคุณของบิดามารดาเลยฮะนี่แหละ ขอให้พวกเราท่านทัน้งหลายสัมรวจตรวจตราดูตนเองว่าข่าเนี่ยเป็นอยู่ในระดับไหนแล้วก็พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเราควรปฏิบัติตนอย่างไรี่ยหลวงพ่อก็ได้พูดในรายละเอียดเลี้ยงท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤติตนให้สงควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ท, ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนี่แหละเป็นหน้าที่ของลูก เ, เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เราควรจะปฏิบัติตนอย่างไร ข้าวน้ําโภชนาะอาหารขนมนมเนยควรจะเอาไปมอบให้แก่ท่านบ้างเพราะท่านได้เลี้ยงดูเรามาะอืจากนั้นกับเรื่องศีลธรรมก็อย่าได้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ถ้าคนมีบุญมีกุศลแล้วไปนสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความสงบพร้มเย็นเป็นจุกทั้งนั้นแหละถ้าคนไม่มีบุญคนมีบาปในจิตในใจแล้วไปที่ไหนก็มีแต่ความเดือดร้อนพุ่นวายนะ วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวได้แสดงความคิดเห็นให้แก่ลูกหลานได้ยินได้ฟังได้ศึกษาหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในท่านตรัสไว้อย่างนี้ท่านบอกอย่างเนี้ยอหลวงพ่อได้นำธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาเผยแผ่อให้แก่พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังอต่อเ น, นี้ไป คณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป